พวกข้ามาดีไม่ได้มารบกวนหรือยึดสถานที่แห่งนี้แต่ประการใดหลวงปู่ส่งกระแสจิตไปถึงผู้มาเยือนในรัติการเพียงแค่หลวงปู่ส่งกระแสจิตไปถึงมันไม่นานค่ะมันก็ปรากฏตัวยืนตระงานดำทมืนสูงใหญ่ผิดไปจากมนุษย์โดยทั่วไปมันมายืนอยู่ตรงกลางระหว่างปดของหลวงปู่แวนแล้วก็หลวงปู่ตื้อ